การทรมบุญ ร, รมทานทานนังเทติทมทานรรสละบริจาคช่วยเหลือไปเรื่อยๆศีรังเทติสังวรแว่นจากบาปจากอากุศลทางกายวาจาใจไปเรื่อยๆภาวนานางเทติ การเจริญภาวนาเสริมสร้างสติปัญญาความระลึกลู้ความลู่รอบในกายในจิตเป็นเป็นปาการหรือว่าเป็นธรรมเครื่องรักษาจิตรักษาใจไปเรื่อยๆนี่เรียกว่ารวมเรียกว่าเป็นการ พฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมคือการทำความดีที่นี่การถวายทานการให้ทานไม่ต้องกล่าวคำถวายไม่ได้หรือทำไมถึงต้องมีการกล่าวเพราะกล่าวมันก็ต้องมีสมมุติี่ต้องกล่าวคำว่าอย่างนี้อย่างนี้ความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่นี่ผู้กล่าว ถ้าไม่เข้าใจในสมมุติทางวาจาก็จะนํำว่าไม่เป็นไม่ถูกทีถ้าไม่กล่าวไม่ได้หรือได้เหมือนกันเพราะการไม่ว่าการทำบุญหรือการทำบาปทำอกุศลการทำบาปเราก็ไม่ได้ไปกล่าว ไม่ได้ไปตั้งใจกล่าวประกาศว่าจะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ทำลงไปแล้วมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะบุญบาปขึ้นอยู่กับการกระทำานี่ขึ้นอยู่กับการกระท ำ, รระทำแล้วก็มีน้ำหนักมีผลที่ให้เป็นบาปมากหรือบุญมาก อยู่ที่เจตนานี่อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจคือเมื่อเมื่อตั้งใจทาทำบาปด้วยเจตนาด้วยการตั้งใจทมก็จะมีวิบากมีผลมากให้ความเป็นทุกข์มากเต็มที่หนักแน่นยืดยาว เหมือนกันกันกบทำโทษทางกฎหมายบ้านเมือง่ะทำสิ่งไหนด้วยเจตนาเจตนารักเจตนาฆ่าเจตนาโกงอย่างนี้มันก็จะมีผลเมื่อรับโทษก็จะได้รับโทษหนักหรือยืนยาวการทำความดีเหมือนกันทำบุญก็เหมือนกันอยู่ที่เจตนา ่าทำไมถึงต้องกล่าวการกล่าวก็เรียกว่าทำตามสมมติคือให้ประกาศเพื่อได้มีความตั้งใจบางทีถ้าไม่กล่าวก็ทำทำด้วยความไม่ตั้งใจไม่ได้รู้เจตนาไม่ได้มีเจตนาก็จะได้มีเจตนาเมื่อมีการกล่าวการตั้งใจเป็นพิธี เนี่ยอยู่อยู่ที่ตรงนี้แม่ไม่กล่าวถ้าตั้งใจเจตนาก็ได้ก็ได้บุญมากได้ผลมากอยู่แล้วเรื่องว่าจะทำบุญหรือบาปดีหรือชั่วมีใจเท่านั้นแหละมีใจเท่านั้นเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานสำเร็จแล้วด้วย ใจทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาการทำบาปที่ไม่เจตนาบางอย่างเราไม่มีเจตนาไม่รู้อย่างพวกเด็กๆเราเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่อย่างคนโบราณแต่ก่อนอมเมื่อเวลาทำอาหารจะกินข้าวเย็นกินข้าวแรง เขาก็จะตักส่วนแรกไว้สำหรับไปถวายพระไปถวายสงฆ์ <c oughs> ไปให้ทานในตอนเช้าตักใส่ถ้วยไว้สมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นแหละตักแรกก็ใส่ภาชนะปิดงาไว้ตอนเช้ามาบางคนก็ไม่ได้อุ่นก็เอาไปเลยอาหารก็เป็นอาหารเย็นคล้ายๆจะบูดบางอย่างมันก็บูด ก็เอาไปถวายพระตอนเช้าที่ในส่วนอย่างนี้แหละผู้ที่เป็นลูกพอตอนเช้ามาเด็กๆหิวมันไม่ได้มีเกตนาว่าจะกินของสงของทานอะไรมันไม่รู้มันก็ไปกินซะกินก่อนกินก่อนแม่ก็บอกโอ้ยของจะเอาไปทำบุญไปจังหันถวายพระ มากินก่อนอบางทีก็ด่าว่าให้ลูกละสิที่มันไม่รู้ไม่มีเจตนาในการทำอย่างนี้มันก็ยังมีผลมีผลเป็นบาปอนะมีผลเป็นบาปหรือว่าอย่างชาวบ้านญาติโยมพวกเราเนี่ยจะนำพัตตาหารไปถวายพระถวายสงศ์ จัดใส่พาโตกหรือสำรับเทินศีษาไปไกามันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวว่าของใครจะไปทำบุญทำทานมันบินมาก็ไมโ่โศกคาบเอาอาหารนั่นไปกินนี่ก็ยังเป็นบาปยังยังเป็นยังมีผลว่าจิตดวงนั่นต้องเข้าสู่ไปเข้าสู่ภพภูมิแห่งความเป็นเปรตเป็น อสุรกายเพราะกินของที่เขาจะเอาไปทานไปทำบุญถวายพระถวายสงนั่นนี่มันมี ม, นมีตัวอย่างมีอุทาหอนหรืออย่างที่ว่าลูกกินของแม่จะเอาไปถวายพระตอนเชา้านั้นก็ยังยังเป็นวิบากนั้นได้ไปรับโทษไปตกนรกทั้งเป็น ก็มีถูกยมพ a w a เคี่ยนไงว่าเคี่ยนเ็ดเคี่ยนวันเคี่ยนครั้งเดียววันเดียวนี่ยเก็บไปอยู่เ็ดวันคือความยืดยาวของความเจ็บปวดที่เป็นวิบากนั่นเหมือนกับว่านานเป็นเ็ดวันนั่นน่ะนับระยะเจดวันถึงเจ็ดวันดีเขาก็เคี่ยนอีเขาจะหายเจ็บหายปวด เมื่อถามยมพบาลเขาก็บอกว่าโทษที่ไปขโมยกินทั้งทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องขโมยแหละไปกินอาหารแม่จะไปทำบุญในตอนเช้าแล้วก็เป็นบาปที่ตีแม่ด่าแม่เนี่ยใช่ว่าจะ เ, เด็กๆนะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนี่มันก็ยังเป็นผลนี่จิงว่า บาปเกิดจากความไม่เกตนาก็เป็นได้ก็มีได้แต่ถ้าเกตนานันมันมีผลมากยืดยาวมีผลหนักเป็นวิบาบให้ผลหนักต่างกันการทำบุญก็เหมือนกันเรีงว่ามีใจเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราถวายกล่าวคาถวายทานก็เป็นการสอนให้รู้จักให้รู้จักตั้งใจให้รู้จักว่า สิ่งนี้จะเป็นส่วนของการให้ทานเก่สง์อย่างนี้ก็ให้มีความตั้งใจมีเจตนาก็จะได้ผลมากอันนี้สงมากอ น, นี่ส่วนว่าธรรมชาตินั้นมันเป็นเรื่องของกิตใจเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเ ป, เป็นครั้งเป็นครั้ง รับผลของบุญและบาปแล้วก็เป็นตัวเหตุเป็นเจตนาที่จะกระทาออกไปทางกายทางวาจาเพราะด้นการภาวนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องมาสร้างสติปัญญาสร้างสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบาปอกุศล นี่จึงต้องมีการตั้งใจภาวนาสร้างสติระลึกรู้ที่ท่านสอนว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมนี่ส่วนนี้ส่วนที่จะทำให้มีสติระลึกรู้หรือมีปัญญารอบรู้ปัญญาสอนใจให้รู้เพื่อเป็น พลังสกัดกั้นสกัดกั้นความหลงคือกิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความโลภเกิดขึ้นเพราะความหลงเพราะความไม่รู้ทำเป็นจริงความโกรธก็เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ ตามกันจริงจึง เ, เกิดความพอใจไม่พอใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างนี่เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเกิดผลสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเฉยๆเป็นต่างๆมันขึ้นอยู่กับใจเป็นมหาเหตุเพราะท่านจึงต้อง ปฏิบัติธรรมในส่วนสร้างสติสร้างปัญญาเป็นภวงคุ้มกันให้รู้เท่าทันจิตขณะจิตปัจจุบันจึงว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมสติเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญคุ้มกันเพราะฉะนั้นตั้งใจจดจ่อทรรมความมีสติ ลึกรู้เป็นผู้ของใจธนายจิตมันมันจะเกิดกุศลและอกุศลให้รู้เท่าทันมันความนึกคิดที่เป็นอกุศลนึกคิดแล้วร้อนร้อนจะนึกคิดถึงเรื่องความสุขความสบายก็ตามแต่ความสุขความสบายนั่นเป็นเรื่องอกุศลอมันจะมีความเล่าร้อนอ จะเป็นเรื่องความทุกข์เรื่องโกรธเกลียดเรื่องทำ ร, ร้ายอิจฉาพยาบาทคิดอยู่แล้วมันก็ร้อนนั่นเดียวว่าเป็นอกุศลธกิจเนี่มีสติปัญญาคอยดูจิตให้รู้เท่าทันจิตแล้วก็สอนจิตด้วยธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่นี่ลักษณะแห่งความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมัน ไม่เที่ยงบรรดาในสมมุตินี่แปลปวนแล้วก็ทนอยู่เป็นปกติตามความอยากให้มีให้เป็นของเราไม่ได้ทําความเข้าใจในสภาวะรมตามเป็นจริงแล้วมันจึงจะเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมเมือ่อความมีเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันธรรมดาจิตนี่ไม่โลภไม่โกรธ ความเสื่อมไปเกิดมีขึ้นจิตนี่ก็ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธรรมดาเพราะรู้เท่าสมมติทั้งความเกิดและความเสื่อมจรียว่ารู้เท่าอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยทสามอย่างนี่แหละเป็นธรรมที่จะเป็นเป้าหมายให้ ่นิดพิจารณาให้เกิดญาณความรู้ด้วยการทำความดีศีลสมาธิปัญญาจะข้ามพ้นสมมุติทั้งหลายทั้งปวงได้จะทรงอยู่ในธรรมแห่งอุเบกขาอุเบกขาธรรมได้นอกจากการ ภาวนาปฏิบัติดูจิตของตนแล้วเกิดความมีสติปัญญาแล้วไม่มีอย่างอื่นไม่มีไม่ทันยิ่งไปหลงตามหลงตามความหลงความโรคโกดหลงนันยิ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีทางที่จะพ้นจากอำนาจแหง่งอวิชาโมหะได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาท ในการปฏิบัติธรรมมีสติปัญญาดูจิตของตนเองรู้เท่าทันขณะจิตให้รู้ว่าขณะนี้มันเป็นอกุศลขณะนี้มันเป็นกุศลแล้วก็รู้เหตุรู้ผลของกุศลและอกุศลกุศลให้ผลมีความสุขสบายบ้างในสมมุตินี้อกุศลมีความทุกข ทรมานวุ่นวายเดือดร้อนนี่รู้เมื่อรู้อย่างนี้พยายามพิจารณาเข้าไปรักษาเข้าไปสติก้าเข้าไปสมาธิมั่นคงเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายปัญญาแก่กล้าเกิดเป็นญาณทัศนะความเห็นตามเป็นจริงเกิดนิพิทายาน คือความเบื่อในทุกขความคลายความยึดมั่นถือมั่นในทุกขความกาหนัดในทุกขสิ้นสุดออกไปจากใจได้ชื่อว่าทาลายอวิชาโมหะที่มันมีอำนาจอยู่ในใจนี่จะทำให้มีความสุขอันแท้จริงได้อ <c oughs> ันนี้ได้ กระทำบาเพ็ญบุญกุศลตามจิตจวัตที่เคยกระทาบาเพ็ญมีเท่านี้แหะหนทางที่จะนาไปสูคสคนนรร่ความสุขความเจริญในธรรมความสุขอันแท้จริงในธรรมะในการประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาจะ่ทำไปเรื่อยๆเท่านั้นแหะจึงว่าทานังเทติสีลนงเทติภาวนานางเทติ ถ้าหากว่าเผลอน่นก็เรียกว่าไม่ทำถ้าเผลอสติเผลอปัญญาก็เผลอไปด้วยแล้วอกุศลมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นจุดดำเกิดขึ้นภายในใจจุดดำมันเกิดขึ้นและถ้าไม่รีบขยี้ไม่รีบซักไม่รีบร้างออกมันก็จะขยายวงกว้างออกไปมากมา ก, มา ก, มากจนกลายเป็นใจอกุศลนั่น น, นั่นแหละมันจะเกิดโทษหนักทุกหนั ก, กเมื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อมันเกิดขึ้นรู้เท่าทันทวนกระแส ส, สอนใจด้วยธรรมะให้เห็นสรุปลงสู่อ น, นิจจังทุกขังนา ต, ตาทำอยู่เรื่อยๆ บ, อยบอย่อยๆก็จะเป็นความเจริญในธรรมเป็นความรู้แจ้งรอบในจิตของเราเองอแล้วมันก็จะวาง มันจะวางมันจะทิ้งมันจะหมดทุกข์อย่างแท้จริงภายในจิตใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทำทานศีลภาวนามาโดยตลอดในอดีตและปัจจุบั น, นจงรวมเป็นความสุขเป็นกำลังแห่งบุญกุศลกำลังแห่งธรรมะอันยิ่ง นำดวงจิตดวงใจให้มีความเจริญในศีลในธรรมปราถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบในสมมุตินี่ประกอบด้วยธรรมจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอ